ข้อหมูลเหตุให้พระชำพัรษาคืออะไรแน่การจำพรรษาของพระสงค์นั้นที่แท้ก็คือท่านถูกกัก บ, บริเวณมีกำหนดสามเดือนทุกปีถ้าดูกันด้วยความนึกคิดจากอีกมุมหนึ่งเฉพาะอย่างยิ่งทางทหารการถูกจำกัดสิทธิ์ในการเดินทางอย่างนี้ก็คือการถูกลงโทษโดยวิธีกับบริเวณนั่นเองก็แล้วพระท่านมีความผิด หรือบาปการมันใดจึงถูกกัก บ, บริเวณปีแล้วปีเล่าพระพุทธบัญญัติในเรื่องนี้มีอยู่ว่าเมื่อถึงฤ ด, ดูฝนของทุกปีให้พระอยู่ประจําที่วัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลาสาเดือนคือการแบ่งฤดูการในทางพระพุทธศาสนาปีหนึ่งแบ่งเป็นสามฤดูฤดูหนึ่งมีสี่เดือนได้แก่ฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อน ในภาคฤดูฝนสเดือนนั้นท่านให้พระจำพรรษาสามเดือนตัดครึ่งเดือนแรกของต้นฤดูออกสำหรับเป็นเวลาเตรียมอยู่เช่นการซ่อมแซมที่อยู่และหาผ้าอาบน้ำฝนเป็นต้นอีกครึ่งหนึ่งตอนท้ายฤดูสำหรับการเตรียมไปมีการตัดเย็บปะชุนจีวอนเป็นต้นเพื่อการจาริกไปเผยแผ่ศาสนาและหาที่ทำความเพียร หลักการในการอยู่จำพรรษาก็มีเพียงว่าห้ามไม่ให้พระจาริกไปค้างแรมที่อื่นนอกเขตวัดที่ได้ตกลงใจอยู่จำพรรษาหากมีธุรกิจจำเป็นจริงๆก็ให้ไปได้ไม่เกินเจวันทั้งวันไปและวันกลับเรียกว่าสัตากะรณียะหากภิกษุรูปใดละเมิดข้อบัญญตัตินี้เรียกว่าพรรษาขาดต้องอาบัตไม่มีสิทธิได้รับกถิน และเป็นที่ตาหนิในวงการพุทธศาสนิกชนหลักฐานทางวินัยระบุไว้ชัดเจนว่าการที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติให้พระจำพรรษาไม่ใช่ทรงปรารบความไม่สะดวกของพระที่จะเดินทางหรืองดเพื่อให้พระได้พักผ่อนแต่ทรงปรารบว่าฤดูฝนเป็นฤดูที่ประชาชนทานากันหากพระจาริกในฤดูนั้น ก็จะเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวนาให้เสียหายพระองค์จึงทรงบัญญัติให้พระหยุดจาริกในฤดูฝนทุกปีข้อนี้สิที่ผมว่าเป็นปัญหาผมเรียนตรงตรงว่าเหตุผลตามที่ว่ามานี้ผมไม่เห็นด้วยเลยไม่แจ้งแก่ใจถ้าสมมติว่าจะอธิบายให้คนต่างชาติต่างศาสนานเขาฟังก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรพูดกันตรงๆว่ามันไม่รู้สึก โก้ในใจเลยพูดไม่เต็มปากดูวินทีว่าพระเจ้าพระสงฆ์สมัยนั้นต่างไม่รู้อะไรเสียเลยมีอย่างหรือโตจนบวชเป็นพระได้แล้วยังไม่รู้จักต้นข้าวต้นหญ้าและไม่รู้จักเดิอนอ้อมไปตามคันนาผ่าไปเดินเหยียบย่ำต้นข้าวให้เสียหายอย่างนั้นและถ้าว่ากันตามรูปเรื่องอาชีพหลักที่ขึ้นหน้าตาของชาวชมพูทวีปสมัยต้นบัญญัตินั้นก็คืออาชีพทำนา จึงไม่น่าเชื่อว่าพระสงฆ์สมัยนั้นจะไม่รู้จักนาหรืออาจมีบ้างก็น้อยเต็มทีคงไม่ถึงกับจะเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าห้ามพระทุกองค์มิให้จารึกในฤดูฝนอีกทีหนึ่งถ้าแม้ว่าพระสมัยนั้นทำผิดจริงคือเดินไปเหยียบข้าวกล้าชาวบ้านให้เสียหายจริงก็ไม่น่าจะต้องให้พระสงฆ์ทั่วโลกถูกกักบริเวณด้วยและกักกันทุกปี จะกลายเป็นว่าอาดัมกับเอวาทำบาปแล้วพระเป็นเจ้าเลยลงโทษคนทั้งโลกให้รับบาปด้วยไม่ว่าใครจะเกิดมาเมื่อไหร่ถือว่าต้องได้รับส่วนแบ่งบาปจากอาดัมเอวาผมสงสัยในเรื่องนี้มานานทีเดียวตั้งแต่ยังเรียนนักธรรมตรีและเคยถามใครๆหลายท่านหลายคนไม่ได้คาตอบเป็นที่พอใจจนกระทั่งมาเมื่อปีกายนี้เอง คือพอสศ .2503 จึงไปได้คำตอบที่น่าฟังจากเมืองเดราดูนประเทศอินเดียระหว่างที่ผมเดินทางไปที่นั่นมันจะเป็นคำตอบที่ผิดหรือถูกก็ไม่ทราบแต่น่าฟังแต่เมื่อฟังแล้วก็โล่งใจใคล้ายๆกับผมถูกก้างติดคอมานางแรมปีแล้วได้กลืนน้ำกระทุ้งให้มันผ่านลำคอลงไปได้ก็สบายใจ ถึงก้างมันจะลงไปปักไส้ปักภุงอีกหรือไม่ค่อยว่ากันใหม่คืออย่างนี้ครับผมขออนุ ญ, ญาตตีวงกว้างออกไปอีกหน่อยเมื่อปีกลายนี้ผมเดินทางไปหาความรู้ทางด้านปรัชญาและศาสนาในประเทศอินเดียอันเป็นถิ่นดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงประดิษฐานศาสนาในเดินทางไปถึงเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองเดราดูนอยู่ในรัฐอุตรประเทศ เมืองเดราดูนนี้เป็นอู่ข้าวของอินเดียนักเกษตรกรรมของไทยเราบางคนยังบอกผมว่าข้าวเดราดูนเป็นที่หนึ่งในโลกในทางคุณภาพเขาว่าอย่างนี้แต่ผมเองก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันผมไม่ใช่นักเกษตรกรรมแต่เป็นนักเกษตรกินได้อุปาทานมาแล้วว่าข้าวดีอยู่ที่นครชัยศรีตามที่เราพูดกันติดปากว่าส้มโอหวาน ข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามดีต้องที่นครใช้สีของไทยเราแต่เมื่อนักเกษตรตัวจริงบอกว่าข้าวเดราดูนเป็นที่หนึ่งในโลกก็รับฟังและทำให้ผมงัดเอาเรื่องพระเหยียบข้าวขึ้นมาคิดเพราะในทางภูมิศาสตร์เดราดูนตรงกับแคว้นปัญจาระในสมัยพุทธกาลอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคาตอนบน ซึ่งเป็นแคว้นที่ตั้งเมืองสังกัดหรือสังกัดนครที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงทุกวันนี้เรียกว่าเมืองกาเนาเมื่อไปถึงเมืองชาวนาแท้ๆของชมพูทวีปซึ่งทำนากันมานานไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันปีแล้วผมก็งัดเอาปัญหาคาใจขึ้นมาได้คุยกับแขกคนหนึ่งด้วยเวลาเพียงนิดเดียวเท่านั้นเอง แต่ได้ความรู้อย่างมากมายเริ่มแรกผมเล่าให้เขาฟังว่าได้มีข้อบัญญัติของพระพุทธเจ้าห้ามมิให้พระสงฆ์จาริกในฤดูฝนโดยอ้างเหตุว่าหากพระสงฆ์จาริกไปเหมือนในฤดูอื่นๆก็จะไปเหยียบข้าวกล้าในนาของชาวนาให้เสียหายแล้วก็ถามความเห็นเขาว่าในสมัยนั้นมีการทานากันมากมายจนเดินหลีกไม่พ้นเถอหรือ เขาบอกว่าการทำนาในสมัยนั้นจะมากจนไม่มีทางเดินนั้นย่อาเป็นไปไม่ได้และพูดกันถึงว่าการที่พระจะไม่รู้จากต้นข้าวก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันผมก็ถามแกว่าถ้าเช่นนั้นทำไมพระจึงจะเหยียบย่ำข้าวของชาวนาแกก็ถามสวนคำมาทันทีว่าท่านรู้จักคนเหยียบย่ำกฎหมายไหมผมบอกว่ารู้จัก แกถามตอบไปว่าเขาเอาเท้าเหยียบย่ําบนกฎหมายหรือผมบอกว่าเปล่าแกก็อธิบายต่อไปว่าการเหยียบย่ําข้าวของชาวนาก็เหมือนกันไม่ใช่เอาเท้าไปเหยียบต้นข้าวจะหมายความว่าการจาริกของพระสงฆ์ในฤดูทํานาจะทําให้การทํานาได้ผลไม่เต็มที่เพราะคนจะต้องเป็นกังวลต้อนรับและปฏิบัติพระ การทำให้ผลของการทำนาเสียไปอย่างนี้เรียกว่าเหยียบย่าข้าวของชาวนาสาธุผมนึกผมเป็นขอบคุณท่านอาจารย์อบังมากๆเรื่องพระเหยียบข้าวพึ่งจะได้ความแจ่มแจ้งเกือบจะหมดชีวิตไปก่อนหมดสงสัยรวมความก็คําว่าเหยียบย่าข้าวนั่นเป็นสำนวนพูดหมายถึงทำให้เสียหาย พอได้ทราบความหมายของภาษาแล้วก็ทำให้ผมกลับเลื่อมใสในพระปฏิปทาของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นอีกพระองค์ทรงมุ่งสร้างสาสนจักรแต่แนโอกาสเดียวกันก็ทรงสนับสนุนการอาชีพของประชาชนด้วยทรงห้ามการจาริกของพระพุทธสาวกชั่วระยะหนึ่งเพื่อมิให้กระทบกระเทือนต่อโคภคผลหรือเศรษฐกิจของประชาชน ปฏิปทาอย่างนี้สมกับที่ว่าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของชาวโลกอย่างแท้จริงส่วนปัญหาที่ว่าการที่พระอยู่จำพรรษาณที่แห่งเดียวนานๆจะทําให้เป็นภาระหนักเกลียชาวบ้านกลุ่มเดียวที่ท่านอยู่จำพรรษามีเป็นการทําให้เศรษฐกิจของเขาสุดหนักลงไปหรือผมก็คิดว่าก็คงจะเป็นบ้างแต่ในพระวินัยก็บังคับไว้แล้วเหมือนกันว่าให้พระเลือกจำพรรษา ในหมู่บ้านที่มีโคจรคามคือข้าวปลาอาหารสมบูรณ์พอควรพระองค์ทรงผ่อนผันให้เวลาพระสแสวงหาอารามชจาพรรษาถึงครึ่งเดือนต้นฤดูฝนนอกจากนั้นหากเราพิจารณาถึงว่าพระองค์ได้ทรงสั่งสอนให้พระเจ้าพระสงฆ์บำเพ็ญตนเป็นคนเลี้ยงง่ายไม่ให้รบกวนชาวบ้านเหล่านี้เป็นต้นก็จะเห็นได้ว่า ทรงคิดหาทางป้องกันไว้ดีที่สุดแล้ว28กรกฎาคม2504